บทภาชนีติกะปาจิตตีสารอุปสิบอุปสำบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสมบันเอาบะาหรือจีวรผ้าพูนั่งหรือกล่องเข็มหรือประคดเอวไปซ่อนหรือชใช้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มุ่งจะล้อเล่นต้องอาบิปาจิตตีอุปสมบันภิกษุไม่แน่ใจเอาบะาหรือจีวรหรือผ้าปูนั่งหรือกล่องเข็มหรือประคดเอวไปซ่อน หรือใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มุ่งจะลอเล่นต้องอาบาดปาจิตตีอุปสมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันเอาบาดหรือจีวรหรือผ้าปูนั่งหรือกล่องเข็มหรือประคดเอวไปซ่อนหรือใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มุ่งจะลอเล่นต้องอาบาดปลาจิตตีทุกกฎภิกษุเอาบริขารอื่นไปซ่อนหรือใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มุ่งจะลอเล่นต้องอาบาดทุกกฎภิกษุเอาบาดหรือจีวรหรือบริขารอื่นของอนุปสัำบันไปซ่อน หรือใช้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มุ่งจะลอเล่นต้องอบัตทุกกฎอนุปสมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสมบันต้องอบัตทุกกฎอนุปสมบันิภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกฎอนุปสมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสมบันต้องอบัตทุกกฎ